จเจริญพรทุกทกท่านจริงๆธรรมะนะมันไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ว่าอยู่ที่วัดโนนวัดนี้อยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราเนี่เองร่างกายเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่นี่เองถ้าเราเรียนรู้ ธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมแจ่มแจ้งนะจิตมันจะวางความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปจะไปสัมผัสธรรมะอีกชนิดหนึ่งผลจากรูปธรรมนามธรรมสันติสุขที่แท้จริงเรียกว่าพระนิพพานเพราะเราชาวพุทธนะเราอยู่เป็นนึกว่านิพพานไกลเกินไปถ้าไม่รู้วิธีนะไกลแล้วก็เที่ยวร่อนเรเดินทาง ในสังสารวัฏเรื่อยๆไปไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนร่อนเร่ไปเรื่อยๆเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าท่านค้นกว้ามาท่านรู้วิธีปฏิบัติอยู่ที่การพัฒนาจิตใจของเรานี้แหละให้เกิดปัญญาท่านถึงสอนบอกว่า บุคคลนะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยทานไม่ใช่ด้วยสมาธิแต่ด้วยปัญญาปัญญาแบบไหนนะ่ะที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นกายนี้แหละเป็นตัวทุกข์ใจนี้แหละเป็นตัวทุกข์ เพราเราไม่เห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราก็เลยเข้าไปยึดมันเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวดีเป็นของดีก็รักใคร่หวงแหนถ้าเรารักใคร่หวงแหนในร่างกายนะพอร่างกายมันแก่เราก็ทนไม่ได้ก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายมันเจ็บเรารักใคร่หวงแหนเราก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายจะตายเราก็ทุกข์ไปด้วย เรารักใคร่หวงแหนความสุขทางจิตใจนะเราเที่ยวสแสวงหาความสุขทางจิตใจตลอดเวลาร่างกายของเรานะมันหิววันตั้งสงสาครั้งหรือบางคนตะกละหน่อยหิววันลาสีครั้ง5ครั้งแต่ใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากรู้รสนะจะเอารสนั้นรสนี้ เดี๋ยวก็อยากมีสัมผัสที่ดีอยากคิดนึกให้สนุกสนานทางใจใน่ใจเรามีความหิวโหวยน า, นานาประการเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมันหิวใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะเราก็เที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปหารสชาติ อ, ร, อร่อยนะ วิ่งไปหาสัมผัสที่ดีหาเรื่องราวสนุกสนานทางใจพยายามปลนเปลอมันเราเราก็รักมันมากนะคิดว่ามีจิตใจนี่แหละทำให้เราได้สัมผัสโลกข้างนอกได้สัมผัสในรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นรสนะสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายที่ดีได้สัมผัสเรื่องราวสนุกสนานถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันเห็นเป็นของดีของวิเศษแล้วรักใคร่หวงแหนมันอะไรที่เราเห็นว่ามันดีเาจะให้ไปปล่อยทิ้งมันปล่อยไม่ได้หรอกเพราะพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราอนะมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้นะ ใจเราต้องไม่พลาดไปสู่ความสุดโต่งสงด้านเราต้องมาเตรียมใจของเราให้ดีซะก่อนคนจำนวนมากเลยนะที่เขาทำกรรมฐานแล้วมันไม่ได้ผลนะทำกันหลายปีเขาไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเขาทำไม่เป็นเขาไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเดินปัญญาหรือบางพวกไม่คิดจะเดินปัญญาเลย พวกที่ใจไม่มีความพร้อมนะใจมันจะพลาดไปสู่ความสุดโต่งสองด้านอันแรกเลยใจมันหลงมันลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจเม่อใจลอยใจเหม่อเวลาใจลอยเวลาใจเหม่อนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจ เพราะฉั้นเวลาเราใจลอยไปเนี่ยเราไม่สามารถทำกรรมฐานได้ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะเราลืมกายลืมใจของตัวเองเวลาเราใจลอยเราก็ใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดนะลืมตัวเองงั้นเมื่อไหรใจลอยนะมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจได้เรียกว่าเจริญปัญญาไม่ได้นั่นศัตรูแรกเลยศัตรูเบอร์หนึ่ง ของพวกเรานักปฏิบัติเราอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ใจเราไม่มีคุณภาพใจหนีไปใจลอยไปหลวงปู่ดูลย์ถ้าเรียกใจลอยๆเนี้ยท่าเนเรียกว่าจิตออกนอกจิตออกนอกจิตนะั้นท่านบอกเลยจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วก็หลงไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตส่งออไปดูรูปแล้วไปเพลิดเพลินยินดียินร้ายกับรูปส่งไปฟังเสียงแล้วก็ไปยินดียินร้ายกับเสียง ส่งไปคิดนึกแล้วก็หลงยินดียินร้ายกับเรื่องราวที่คิดที่นึก ใ, นใจก็กระเพื่อมบั่นไวจุดตั้งต้นมันมาจากที่มันลืมตัวเองจิตมันลอยออกไปงั้นถ้าเราอยากจะภาวนานะอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยขั้นแรกเลยอย่าบัวแต่ใจลอยพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดแต่ว่าห้ามใจลอยก็ห้ามไม่ได้ หลวงปู่ท่านสอนนะบอกธรรมชาติของจิตน่ะย่อมส่งออกนอกจิตเรามีธรรมชาติใจลอยแต่ใจลอยออกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสตนะิแล้วก็ลอยไป น, นานก็ลืมตัวเองบางคนใจลอยเป็นวันๆ น, นะใจลอยเป็นวันๆหลงคิดอะไรเพลินไปเป็นวันๆเนี่ยมีร่างกายก็ไม่รู้สึกในร่างกายมีจิตใจก็ไม่รู้สึกในจิตใจงั้นเราต้องมาหัดไม่ให้ใจลอยนานนะวิธีที่จะฝึก ไม่ให้ใจลอยนะก็คือคอยรู้ทันนะความใจลอยนี่เป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยนะจิตเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่เรามีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลามันใจลอยไปเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำกรรมฐานจะอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต พุทโธพุทโธนะใจลอยไปแล้วหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธใจลอยไปแล้วรู้ทันหรือรู้ลมหายใจหายใจไปสักพักหนึ่งใจลอยไปแล้วลืมร่างกายที่หายใจพอเราหัดรู้ทันเวลามันใจลอยนะรู้บ่อยๆต่อไปพอใจมันเคลื่อนไปจะไหลไปคิดเท่านั้นสติจะเกิดเองจะรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันถ้าเราหัดรู้ทันบ่อยๆต่อไปสติเขาเกิดขึ้นมาบ่อยๆ ต้องฝึกนะอยู่ๆจะให้จิตใจอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวนี่ทำไม่ได้หรอกมันมีแต่ธรรมชาติของเรามันใจลอยตลอดเวลาอยู่แล้วหลงออกข้างนอกตลอดเวลานั่นต้องพยายามมาฝึกทุกวันต้องซ้อมพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้นะแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบนะไม่ใช่พุทโธหรือรู้ลมหายใจเพื่อจะให้จิตสงบอย่างเดียวลําพังทํากรรมฐานให้จิตสงบเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชงานแรกที่ท่านทำมันก็เหมือนอย่างที่พวกเราคิดเวลาเราปฏิบัตินะงานแรกก็คือไปหัดนั่งสมาธิอย่างพวกเราเวลาจะปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่พวกเราคิดก็คือจะต้องไปนั่งสมาธิเจ้าชายสิทธนะัตถะก็ออกมาบวชก็ไปฝึกนั่งสมาธิกระือสีฝึกกับอาราดาบทนะได้ฌานที่7ฝึกกับอุทากดาบทนะได้ถึงฌานที่8 แล้วท่านก็นพบว่านี่ไม่ใช่ทางพอออกจากสมาธิมากิเลส ก, ก็กลับมาอย่างเก่าอีกนะงั้นสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิชนิดที่ของฤาษีเนี่ยมันอย่างหนึ่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ไหลไปเพลินเพลินไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรนะนเราต้องมาซ้อมสมาธิที่ถูกต้อง ทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ถันจิตนะตัวนี้ตัวสําคัญมากเลยที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูจิตนะดูจิตได้ถูกต้องนะขั้นแรกเลยเราจะได้ความรู้สึกตัวจิตจะตื่นขึ้นมาจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานนะคนในโลกนี้ไม่มีหรอกคนในโลกนี้มีแต่คนหลงจิตมันไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลามันลืมตัวเองตลอดเวลาเราต้องมาค่อยๆฝึกนะเราต้องฝึกนะ ไม่มีของฟรีเพั้นทุกวันทํากรรมฐานแบ่งเวลาไว้เลย15นาที20นาทีก็ต้องทํทให้ได้สม่าเสมอทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตนะไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วก็นิ่งๆเผลอๆลืมเนื้อลืมตัวไปนะพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปปุ๊บจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะทันทีที่สติเกิดนะกิเลสจะดับ จิตที่ไหลไปเนี่ยไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสนะคือความฟุ้งซ่าน็นโมหะยั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยๆฝึกทุกวันนะจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกนี้มากๆเลยในที่สุดจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะเราลืมมันนะเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งนะก็คือความลืมตัวเองใจลอย ศัตรูเบอร์สองนะก็คือการที่เราหลงไปบังคับกายบังคับใจให้นิ่งคนทั่วๆไปเนี่ยจะใจลอยตลอดเวลานะส่วนนักปฏิบัติเนี่ยถ้ายัางภาวนามไม่เป็นนะจะไปบังคับตัวเองให้สงบอย่างเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราก็จะไปเริ่มควบคุมร่างกายตั้งท่าวางท่าให้ดีนะแล้วก็พอบังคับร่างกายเรียบร้อยเราก็เริ่มดัดแปลงจิตใจทาจิตให้คลุ่ม ทำคลืมๆนะคิดว่าคลืมๆไปเรื่อยๆมันจะดีไม่ดีหรอกเวลาที่เราบังคับกายบังคับใจนะมันจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งคนซึ่งไม่ภาวนาเนี่ยมันจะสุดโต่งไปข้างหลงส่วนนักปฏิบัติเนี่ยมันจะสุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งสองข้างคนทั่วๆไปนะจะหลงส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะบังคับตัวเองนี่เป็นความสุดโต่งสองข้าง ถ้าเราต้องการเดินปัญญาอย่างแท้จริงเดินในทางสายกลางอย่างแท้จริงอย่าหลงไปสู่ความสุดโต่งสองฝั่งนี้ถ้าสุดโต่งไปข้างหลงเนี่ยจิตใจเราจะตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะเราหลงตามกิเลสเราจะไปอบายนะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรงั้นแต่ข้างบังคับตัวเองเนี่ยก็ไปเกิดเหมือนกันไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมแต่ว่าไม่ไปนิพพานหรอก นะเข้าไปนิพพานเนี่ยต้องเกิดจากการเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะแต่ถ้าไปบังคับกายบังคับใจเนะี่ยกายก็ไม่แสดงความจริงใจก็ไม่แสดงความจริงอย่างเวลาพวกเราบอกว่าดูจิตดูจิตนะอยู่ๆเรา จ, จ้องลงไปที่จิตนะทันทีที่เราจ้องลงไปที่จิตนมันจะว่างหมดเลยจะไม่มีอะไรให้ดูนะแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับจิตแสดงใจรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นว่า จิตเน e e ี people. People. People. People. ่ยไม่มีอะไรมีแต่ว่างๆเป็นของเที่ยงจิตนี้มีแต่ความสุขจิตนี่บังคับได้เพ่งทีไรก็ว่างทุกทีเลยนี่คือแทนที่จะเกิดปัญญาน้ำจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนบังคับได้งั้นในขั้นการบังคับตัวเองเนี่ยมันจะได้ความเห็นผิดมาวิธีที่เราจะไม่ไปหลงบังคับตัวเองนะ ก็ต้องหัดภาวนาเริ่มต้นของพวกที่ไปบังคับตัวเองเนี่ยมันเกิดจากโลภอยากปฏิบัติอยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอมีความอยากเกิดขึ้นลงมือนั่งสมาธิมันจะไปเพ่งเอานะไปจ้องค่อยๆดูไม่ให้คลาดสายตานะร่างกายมันก็จะนิ่งจิตใจมันก็จะนิ่งมันก็จะนิ่งไม่แสดงความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราดูดังนะนั้นไม่เรียกว่าเดินปัญญา การเจริญปัญญานั้นต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะงั้นถ้าเราไปเพ่งเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไว้จะเป็นนิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดปัญญานะได้แต่ความสงบได้ความสุขได้ความดีนะก็จะไปเกิดในที่ที่ดีนะมีความสุขมีความสงบแต่ไม่ไปนิพพานหนะนทางที่เราจะฟ้นทุกไปได้อย่างแท้จริงนะก็คือ ต้องไม่ให้จิตหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนะอะไรจะดีเท่ากับการที่คอยรู้ทันจิตเวลาจิตของเราหนีไปคิดนะเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปแล้วให้เรารู้ทันนะก็ต้องซ้อมนะทุกวันต้องซ้อมพุโทโธพุโทโธไปจิตหนีไปเรารู้ทันนะหรือรู้ลมหายใจไปนะหายใจเข้าหายใจออกไปบางคนก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ใช้ได้เหมือนกัน หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู oh. ้ท um ันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยสุดโตงไปข้างหลงตรงที่จิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยสุดโตไปข้างบังคับตัวเองจิตต้องไม่ส่งออกไม่ส่งออกทั้งสองแบบคือไม่ส่งออกแบบในหลงหลงไปก็ไม่ส่งออกไปเพ่งเวลาที่เราไปเพ่งอารมณ์อันดหนึ่งนะจิตจะเคลื่อนไปจิตหลงเหมือนกันหลงไปเพ่ง คำว่าอย่าส่งจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลนั้นเป็นคำที่สูงมากนะคนทั่วๆไปไม่มีคนทั่วๆไปเนี่ยหลงตลอดนักปฏิบัติก็เพ่งตลอดจ ะ, จะส่งออกนอกตลอดคนหลงก็คือส่งออกไปอยู่ในโลกของความคิดคนเพ่งก็ส่งไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องจิตส่งออกนอกทั้งสิ้นเลยที่หลวงปู่ดูลบอกให้จิตอย่าส่งออกนอกนั่นคือสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา คือเราต้องฝึกทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปเพ่งลมหายใจจิตลงไปอยู่ที่ท้องแล้วรู้ทันใครรู้ทันจิตเรื่อย่พี่ว่าดูจิตดูจิตนะดูจิตเบื้องต้นเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่หลงไปในโลกของความคิดความฝันไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจนิ่ง เป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ยากเกินไปนะหลวงพ่อก็ฝึกนะตั้งแต่เด็กๆก็ฝึกจนกระทั่งสมัยเป็นคราวญานะจิตลองพ่อก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ขนาดไปเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างบางวงค์หลวงปู่สิมเนี่ยหลวงปู่สิมท้ำผาปล่องเวลาท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ ในผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้ผู้รู้ให้ทําอย่างนี้อนะเนี่ยสอนอย่างนี้เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นผู้รู้จิตเราไม่หลงไปแล้วจิตเราไม่ไปเพ่งไว้ต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราเป็นผู้รู้ให้ได้นะพอจิตเราเป็นผู้รู้ไม่เผลอไปถ้าเผลอเรารู้ทันมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าเพ่งแล้วเรารู้ทันนะ <S <S 2> <S 2> ก็อย่ไปเพ่งมันค่อยๆรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอย่าไปจงใจเพ่ง จะได้จิตเป็นผู้รู้นะาจิตเป็นผู้รู้แล้วก็สามารถเจริญปัญญาต่อคราวนี้เราจะเจริญปัญญาละเราเตรียมจิตของเราจนมีคุณภาพคือจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ารู้แล้วแข็งแข็งนะใช้ไม่ได้นะผู้รู้มีสองอย่างผู้รู้ที่ถูกต้องกับผู้รู้ที่ผิดผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยเกิดจากที่เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ แค่รู้ว่าไหลจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบานแต่ถ้าเรากลัวจิตจะไหลนะ <commencer> เราบังคับไว้ไม่ให้ไหลคอยเร้าความรู้สึกของตัวเองไว้ <Hughes> เพ่งเอ <Med itation> าไว้บังคับไว้ไม่ให้ไหลมันก็รู้เหมือนกันนะแต่มันรู้แข็งๆรู้แน่นๆรู้อึอดอัดถ้าใจเราอึดอัดนะไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ที่ดีแล้วละ่ะนั้นเป็นผู้รู้ที่ไม่ดีจิตที่อึอดอัดจิตที่แน่นๆจิตที่แข็งๆเนี่ยเป็นอากุศลจิต ไม่สบายเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพเสียก่อนถึงจะเดินปัญญาได้คนทั่วๆไปเขาก็ชอบพูดกันนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเดินปัญญาได้แต่เขาไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดต้องเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าเป็นสมาธิชนิดผู้เพ่งเอาไว้คลิดเครียดแข็ ง, ข ง, ขงหรือสมาธิประเภทเคลิบเคลิม้มลืมเนื้อลืมตัว พวกนี้เจริญปัญญาไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธินะแล้วเราต้องพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธินะี่คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆไม่ได้บังคับด้วยนะแล้วเราก็ต้องค่อยๆซ้ อ, อ, อมทุกวันทุกวันนะวันแรกๆเนี่ยาอาจจะเผลอยาวอาจจะเผลอไปทั้ง5นาทีแล้วเพิ่งรู้อะไรเนะี่ยต่อไปก็จะสั้นลงสั้นลงจนเธอท่นานชานาญนะจิตเคลื่อนคลิกรู้จิตเคลื่อนคลิกรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้แล้ว เราได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องล้นะก็สามารถเดินปัญญาได้การเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรานะเฉะนั้นเราต้องค่อยๆมาสังเกตเวลาจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ดูลงไปในร่างกายเราเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดู เรืนี้สำคัญนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูสามารถทำได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานๆทุกคนยิ้มเข้าเร็วยิ้มยิ้มให้สวยที่สุดเลยนะประเภทคนเห็นแล้วตะลึงรู้สึกไหมเรากำลังยิ้มอยู่เนี่ยยิ้มแล้วรู้สึกนะเห็นร่างกายมันยิ้มอยู่เอาลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึง้งรู้สึกไหมหน้าบึ้งง่ายจะตายหม แค่นี้แหละทำไมจะรู้ไม่ได้พยักหน้ารู้ไหมพยักหน้าก็เห็นได้ตัวนี้พยักหน้าอย่าไปแกล้งจ้องนะถ้าเพงแล้วพยักหน้านะเนีย่ยคล้ายกิ้งก่าเกินไปนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วกลายเป็นกิ้งกาแล้วนะเอายิ้มอีกทียิ้มหวานๆเหมือนเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ยิ้มซิบางคนหัวล้อเลยเห็นร่างกายหัวล้อเห็นร่างกายยิ้มไหมเนะี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะ ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าบิน ญ, ญัติรูปรูปชนิดนี้รู้ด้วยใจไม่ใช่รู้ด้วยตานะอย่างร่างกายเรากระดุกกระดิกเนี่ยร่างกายยกม้ายกมือนะค่อยรู้สึกไปเราจะเห็นนะว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดนะูฝึกให้ได้อย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าฝึกตัวนี้ได้นะก็ค่อยๆดูให้ละเอียดต่อไป บางทีก็มีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบางทีความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจเวลาอย่างตอนนี้พวกเราจำนินมากมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยความสุขเราก็ดูนะความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยพอเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดู กิเลสเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนดูอีกนะ <_ d ew> ค่อยดูไปหัดอย่างเนี้ยค่อยหัดดูไปด้วยมีจิตเป็นแค่คนดูนะแล้วต่อไปเราค่อยๆสังเกตไปจิตเองก็ไม่เที่ยงประเดียเเดยเดเด๋ยวก็เป็นผู้รู้รเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะมันจะไม่แน่นอนเ น, นี่ยหัดหัดรู้สึกไปนะหัดรู้สึกไปหรือจิตมันหนีไปคิดเราก็ค่อยรู้ทันนะ ส, สติรู้ทันมันคือมีจิตอีกตัวหนึ่ง ไม่รู้ว่าจิตดวงก่อนเนี่ยมันหนีไปคิดอยากดูจิตหนีไปคิดไหมจะพาดูอยากดูไหมโอ้ถ้าอยากดูไม่ยากนะหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแ ป, ป๊บหนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเอาล่าจะหยุดล้คิดไหมคิดใช่ไหมเนี่ยแค่เนี่ยเราเรียกว่าเรารู้ว่าจิตคิดแล้วอา้าวดูอีกดูใหม่ห้ามคิดนะ ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะอะไรจิตมีหน้าที่คิดจิตมีธรรมชาติคิดคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลานั้นเราไม่แทรกแซงธรรมชาติของเขาเราเรียนรู้ความจริงของเขาเขาแปรรวนตลอดเวลาเขาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราหรอกนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะหัดดูของจริงในกายหัดดูของจริงในใจถ้าดูกายก็เห็นในร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู ดูความจริงที่เป็นนามธรรมานะมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมีความโลภโกรดหลงอะไรเกิดขึ้นใจเป็นคนดูพวกเรารู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมคงไม่มีเนาะใครเคยโกรธบ้างมีไหมหลวงพ่อกำลังดูพวกที่ไม่ยกมือเลยมันจะเอาอยัางไงแน <c oughs> โ่โกรธก็รู้จักใช่ไหมรู้จักโลภไหมรู้จัก ใช่ว่าดูจิตยากหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะอันนี้เป็นดูจิตในขั้นให้เกิดปัญญานะคือดูให้เห็นความจริงของจิตใจเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นสุขก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตเพ่งก็ไม่เที่ยงหากดูของจริงซ้าแล้วซ้ำอีกลงไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะเมื่อเราค่อยๆฝึกของเราไปนะ ถ้าถนัดดูกายก็อเอากายเป็นฐานเอากายเป็นหลักไว้คนไหนเป็นคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะพวกนี้ให้ดูกายให้มาก ก, าาก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากยากนานเวลาเราคิดเรื่องนี้นจิตใจเป็นสุขคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงสังเกตไหมความสุขความทุกข์ทางใจ ตามหลังความคิดมานะความรอบความโกรธความหลงในใจเราก็ตามหลังความคิดมานะตามหลังความคิดมาก่อนต้องคิดไปก่อนนะถึงจะโกรธต้องคิดไปก่อนถึงจนะโลภต้อง ค, ค, คิดไปก่อนแล้วหลงนะจะคิดคิดคิดไปนะเราค่อยคอย่คอยดูเข้าไปนะค่อยค่อยรู้ทันมันเข้าไปนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะจะเห็นเลยว่าจิตใจที่เป็นสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นทุกข์ก็อยู่ชั่วคราว จิตใจที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ดูของจริงนะไม่ใช่ไปบังคับจิตนะไม่ใช่บังคับจิตต้องดีต้องสุขนะเราไม่เอาดีไม่เอาสุขนะดีกับสุขเนี่ยยังแปรปรวนอยู่เราต้องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ดีเพื่อให้สุขเพื่อให้สงบแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริง ว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างมันบังคับไม่ไดนะ้เคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมแล้วก็โกรธใช่ไหมเมื่อคนตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกใช่ไหมอย่างสาวๆเนี่ยหนุ่มมาจีบนะเราก็ชอบเขาเราก็รักเขานะต่อมาเราพบว่ามันมีเมียแล้วนะเราก็โกรธมันเราก็ตั้งใจว่าจะไม่รักมันอีกแล้วเดี๋ยวมันมาหาเราอีกนะมันบอกมันจะเลิกกับเมียแล้วเราก็กลับไปรักมันอีกแล้ว ว่าจะไม่รักก็รักได้อ bon erm ีกนะว่าจะไม่โกรธก็โกรธได้อีกเนี่ยจิตเป็นของที่บังคับไม่ได้เนี่ยดูให้เห็นของจริงนะเจ้ทั้งเรารู้ความจริงของร่างกายร่างกายเนี่ยที่มันหายใจออกที่มันหายใจเข้าที่มันต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถอะไเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ความจริงของร่างกายคือทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุ มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยนะธาตุมันก็หมุนเวียนกิอนอาหารแล้วก็ขับถ่ายธาตุมันก็หมุนเวียนร่างกายก็เป็นแค่ก้อนธาตุแล้วก็เป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยดูความจริงของกายนะจะเห็นว่ามันทุกข์ดูความจริงของกายจะเห็นว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเนี่ยเรียกว่าปัญญานะที่เห็นความจริงของกายแล้วว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าดูความจริงของจิตใจเราจะเห็นตัวไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวนะความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วก็เราก็ควบคุมไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเองหรือใจนะใจมันจะเปลี่ยนอารมณ์นะบางทีมก็ไปดูบางทีมก็ไปฟังมันทีมันก็ไปคิดเราเลือกไม่ได้นะให้ดูอย่างเดียวโดยไม่ให้คิดนะีก็ห้ามทําไม่ได้เนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งพวกเราลองดูพระพุทธรูปแล้วห้ามคิดทําไม่ได้ดูออกไหม จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราสั่งไม่ได้หรอกนะเราสั่งมันไม่ได้อพอละเดี๋ยวพระท่านเสื่อมหมดนะถ้าเราไปดูด้วยจิตที่หลงๆนะเดี๋ยวพระเสียหมดนะแอบสอบดูดซับความหลงเข้าไปนะลองไปดูพระพุทธรูปที่วัดหลวงพ่อสนะิท่านตื่นนะท่านรู้ท่านตื่นท่านเบิกบานสดชื่น ก็พลังของความรู้สึกตัวอย่างพวกเราในขณะนี้รู้สึกไหมพวกเราเริ่มรู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตพวกเราสว่างสวัยรู้สึกไหมในในห้องนี้นะสว่างนะสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ค่อยๆฝึกนะเส้นทางนี้ไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวไกลจะหามรรคผลนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไม่ใช่ต้องไป ฟังหลวงพ่อเทศถึงสีราชานะไม่จำเป็นคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าเผลอไปลืมกายลืมใจอย่าเพ่งบังคับกายบังคับใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจแค่รู้สึกเท่านั้นหัดรู้สึกหัดรู้สึกในกายหัดรู้สึกในใจบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมาว่า กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหลวงปู่ดุลถ้ามีศัพท์อยู่คํานึงค่ะว่าจิตยิ้มเคยถามท่านเนาะหลวงปู่ครับคนแต่ละคนนะั้นต้องจิตยิ้มกี่ครั้งท่านก็นับใหญ่นะนับน3บาสี่ครั้งนับนับอ๋อสี่ครั้งนัอย่างนี้เรามีโอกาสจิตยิ้มได้สี่ครั้งนะงั้นภานาไปเรื่อยๆอย่ารีบยิ้มเดี๋ยวหมดคใอยภาวนาใจเย็นๆ ท่านว่ามันยิ้อะไรยิ้มย่อกิเลสกิเลสหลอกมันไม่ได้ล้กิเลสตัวแรกเลยที่มันฆ่าตายนะสติปัญญาของเราฆ่ามันตายนะคือความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรางนะั้นเราภาวนานะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานไปเรื่อยเลยถึงจุดหนึ่งสติปัญญาแทงทะลุลงไปกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยในอย่างนี้ จิตจะยิ้มทีแรกจิตจะยิ้มครั้งแรกคือจะเข้าใจธรรมะนะบางทีท่านก็ใช้คําว่าถึงพระรัตนตรัยแล้วท่านะใช้คํำหลายอย่างหรือบางทีท่านใช้คําว่าพึ่งตัวเองได้แล้วนะอย่างพวกเราถ้ามาถามเนี่ยที่หนูปฏิบัติมาเนี่ยหนูพึ่งตัวเองได้หรือยังยังนะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังหลงอยู่นะเป็นคนหลงผิด ย, ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะต้องหัดภาวนา อยากเป็นส ม, มาทิฐิอยากละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนก็ดูความจริงในตัวในตนบ่อยๆนะค่อยหัดรู้หัดดูไป7วัน7เดือน7ปีรู้สึกตัวเป็นแล้วนะ7วัน7เดือน7ปีนี่แหละ ม, มันคงต้องได้อะไรบ้างแหะแต่ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นนะเชาติมันก็ไม่เป็นนะก็ได้แต่นั่งเพ่งเอาดูกายก็เพ่งกายดูใจก็เพ่งใจไม่ได้กินหรอกนะใจก็มีแต่หลงห ล, ล, ลงไปทั้งวันหรือไม่ก็ไปเพ่งอยู่ทั้งวันใช้ไม่ได้ สรุปนะสรุปการปฏิบัติทั้งหมดเลยถือศีลหไว้ถือศีล ห, ไ ว, หไว้ก่อนจําเป็นที่สุดเลยพวกเราใครยังศีลหดังพลอยยกมือซียกมือซีสาธุฉลาดฉลาดนะรู้ว่าศีลอย่างดังพลอยไม่ดีแล้วรู้ว่าไม่ดีเพระพระเจ้าชมนะบางคนไม่ดีแล้วนึกว่าดีนะท่านตําหนิเอานะถ้าดีเรารู้ว่าดีเนี่ยท่านถือว่าดีเลิศเลย ดีแล้วไม่รู้ว่าดีในะพวกใช้ไม่ได้พวกเลวแล้ว ร, รู้ว่าเลวท่านถือว่าดนะีพวกเลวแล้วไม่รู้รว่าเลวนี่เลวสุดยอดคือต้องเลวนี้รันดอนนนะั่นแหละอย่างพวกเราศีลดังพลอยเรารู้ว่าศีลดังพลอยดีต่อไปก็อย่าให้มันดังจนะเป็นฆราวาสเนี่ยถือศีลไม่ให้ดังพลอยยากมากเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นฆราวาสนะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วนะ ทำยากนะอย่างสมัยหลวงพ่อเป็นโยมนะเราก็อึดอัดใจนะบางทีตอนทำงานอยู่หัวหน้ากองสั่งนั่งโต๊ะติดกันนี่ถ้าใครเขาโทรศัพท์มาถึงพี่นะเธอบอกเขานะว่าพี่ไปไประชุมอยอย่างนี้เราก็โเราศีลเราจะเสียหรือเปล่าวะเนี่ยถือศีลลำบากนะคารวะก็ต้องมีเทคนิคหน่อยผ่อนหนักเป็นเบานะ อย่าเป็นต้นว่าพอคนเขาโทรมาหัวหน้ากองอยู่ไหมล้วก็พูดเบาๆหัวหน้ากองสั่งว่าหัวหน้ากองสั่งว่าไม่อยู่ครับ <c oughs> แต่ด่างพลอยไหมดงังด่างพลอยจิตเศร้หมองไหมเศร้าหมองเนี่ถือยากนะคารวาสนะหรือบางคนเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงไก่นะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่โว้เอาไปฆ่าใช่ไหม ส่งไปเขาคงไม่เอาไปเลี้ยงไปเฉยๆหรอกเราเลี้ยงไก่แล้วไปขายใช่ไมเขาเอาไปฆ่าทําไงาละ่ะศีลดังพร้อยก็ต้องพยายามคิดในทางที่มันดีที่สุดนะให้บอบช้ําทางใจน้อยที่สุดก็คิดสิแต่ละวันเนี่ยเราเลี้ยงไก่ไม่ได้ฆ่าไก่นะ เ, เลี้ยงอยู่ตั้ง3เดือนเนี่ยเลี้ยงฟรีๆเลยนะก็ไก่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะได้บุญอยู่3เดือนนะเราไปฆ่าไก่1วันแต่สอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้ไปเจ้าเล่นะ ถามว่าบาปไหมบาปแต่ว่าบาปเนี้ยอ่อนลงเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ได้ย้ำบุญใดนะที่เราทำแล้วนะให้คิดซ้าแล้วซ้ำอีกเราจะได้บุญซ้าแล้วซ้ำอีกจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่บาปใดที่เราทำแล้วนะเรารู้แล้วเราก็ตั้งใจสำรวมระวังแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกเคยตบยุงหนึ่งตัวนะคิดทุกวนันก็คือตบทุกวันนะ จิตจะได้รับกรรมแบบนั้นเลยเพราะงั้นอะไรเราพลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยนั่งนั่งยุงกัดตบพุ้งไปแล้วเบรกไม่ทันอะไรอย่างเงี้นะเรารู้แล้วต่อไปเราต้องฝึกสติให้ดีกว่า น, นี้นะอย่างเงี้ยคอยตั้งใจไหมนะตั้งใจจะไปคิดซ้ำๆนะวิธีจิตจะขึ้นใหม่ทั้งกุศลทั้งอกุศลนะนะงั้นเบื้องต้นถือศีล5ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเราถือศีลได้นะบารมีจะเกิดนะ อย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทําร้ายคนอื่นนะเราสะสมสิ่งนี้มากๆนะต่อไปเมตตาบารมีจะเกิดขึ้นใจเราจะมีความเมตตามากขึ้นมากขึ้นเรามีศีลข้อ2ไม่ลักไม่ขโมยใครนะบางทีต่อไปข้างหน้าใจเรากว้างขึ้นนะเราให้เขาได้ด้วยไม่ใช่เอาของเขานะยังให้เขาก็ได้แบ่งให้เขาได้อีกมันได้ฐานน้ำบารมีนะหรือเราซื่อสัตว์อยู่ในคู่ของเรานะ เราไม่หมกมุ่นในกามได้เนกขัมมะบา ร, รมีนะเรียกเนกขัมมะบา ร, รมีออกจากกามนะถ้าพวกหมกมุ่นในกามจิตฟุ้งซ่านพวกหมกมุ่นในการคิดร้ายกับคนอื่นจิตฟุง้งซ่านพวกคิดจะขโมยคนอื่นจิตฟุง้งนซะ่านหรือการที่เรามีศีลข้อ4นะพูดจาไม่โกหกหลอกลวงเราจะได้สัจจะบา ร, รมีนะงั้นรักษาศีล5้าไว้ได้บา ร, รมีหลายตัว นะถ้าบารมีเราเต็มนะการภาวนาจะง่ายไม่ลาบากอะไรแป๊บเดียวก็ผ่านละถ้าบารมีน้อยก็บรรลุยากนะบุญบารมีน้อยก็บรรลุยากบุญบารมีมากก็บรรลุง่ายนะนั้นเราถือสีน5้าให้ได้นะเทาที่จะทำได้อดทนไว้เวลาจิตใจอยากทำผิดศีล น, นะก็ให้รู้ทันมันไยไอย่าไปทำมันทำผิดวันนี้นะก็ต้องรับผลวันหน้ายังไงก็ต้องรับผล ของฟรีไม่มีทั้งดีและชั่วนะทําผิดศีลต้องรับผลของบาปพา ร, รักษาศีลนะแล้วก็งานต่อไปของเราก็คือฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวนะทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนานะ15นาที20นาทีอะไรก็ได้ทําทุกวันอย่าเลิกนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เลิกนะถึงนั่งภาวนาไม่ไหวก็นอนภาวนานะอย่าไปยอมท้อถอยต้องสู้ตายนะเวลาทําในรูปแบบ นะทุกวันทุกวันเราก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีพิคิดเรารู้ทันหนีไปเพ่งเรารู้ทันเช่นไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันเนีฝึกอย่างนี้ไปจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาเจริญปัญญามาดูการทํางานของกายมาดูการทํางานของใจเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานดูเรื่อยๆไปอย่าไปคิดนะว่าสงบอยู่เฉยๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอก จะเกิดปัญญาเนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วก็ดูกายทํางานดูใจทํางานมันถึงจะเกิดปัญญาถนัดดูกายก็เอากายเป็นหลักถนัดดูใจก็เอาใจเป็นหลักอะไรก็ได้ทางกายทางมันไม่ดีไม่เลยหว่ากันหรอกพอดูกายเป็นนะเราจะเห็นว่ากายนี้แสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจิตเป็นเราก็จะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสิ่งเดียวกันเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดนะ เกิดมาเกิดผลขึ้นมามันรู้แจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีเบื้องต้นอะปัญญาต่อไปมันก็เห็นเลตัวที่ไม่มีแล้วมันมีอะไรซิที่มีมันมีตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ตัวทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราเห็นกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างไหมนั่งกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นไหมเรายังไม่เห็นอกกายเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์นั้นเป็นปัญญาระดับกลางของพระอนาคามีนะถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ก็ ที่สุดแห่งทุกข์เลยหลวงพ่อมากราบหลวงปู่ดุลบ่อยๆนะสมัยนั้นแล้วก็กราบหลวงปู่เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะมากราบผ้าอุปัชฌาย์หลวงพ่อเนี่ยนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชท่านเป็นพระครูนะนั้นะนะเป็นพระครูไปกราบหลวงปู่แล้วก็แวะกราบท่านท่านมีเหรียญแจกอะนะนะกราบท่านนะท่านมีอะไรท่านก็ให้ใจดีนะให้นอนให้นี่ตลอดนะ มีหนังสือให้หนังสือมีเหรียญให้เหรียญมีอะไรก็ให้มากราบท่านอย่างเงี้ยหลายครั้งนะครั้งสุดท้ายที่มากราบหลวงปู่เนี่ยสาวันก่อนที่ท่านจะมรณภาพมากราบท่านปลายปลายเดือนกันยานะครั้งสุดท้ายที่มากราบท่านนะท่านสอนตั้งแต่ เ, ย, เ ย, ย็นเลยเย็นจนค่าเลยนะค่าทุ่มกว่ากว่าหลวงปู่นั่งหอบ หอบหอหอบหาย ใ, ใจไม่ทันนะหลวงพ่อสงสารหลวงปู่เลยกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับผมจะกลับละหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีละท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนถ้าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออจำไว้นะอย่างนี้ให้กลับได้ เน่ท่านกลัวว่าหลวงพ่อจะไปติดตัวผู้รู้อยู่เพราะอะไรเพราะเราฝึกเนี่ยพวกเราต้องฝึกให้ได้ตัวผู้รู้นะอยู่ๆอย่าเพิ่งไปทิ้งตัวผู้รู้นะต้องมีตัวผู้รู้ซะก่อนตัวผู้รู้เหมือนเรือนะเอาไว้ถึงฝั่งเราค่อยทิ้งเรืออย่าไปทิ้งเรือกลางทะเลซะละนะอยู่กลางทะเลแท้ๆอย่างพวกเราเนีย่ยล่อนเรนะ่ในวัดตะอยู่ในทะเลอยู่ๆจะทิ้งตัวผู้รู้ไปได้นะเหมือนโดดลงทะเลเลยนะนะกิเลสคือปลาฉลามมาเอาไปกินซะละนะหรือไม่ก็จมน้ําตาย เพราะเราตอนนี้อย่าเพิ่งไปทิ้งตัวผู้รู้ให้มีตัวผู้รู้ไว้ก่อนนะให้ใจเป็นตัวผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจก็ทําทงานเรื่อยไปนะดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นมาตัวเราไม่มีนะต่อไปก็ภาวนาอย่างเดิมแลก็าภาวนาไปสติปัญญามราก็แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นนะี่เห็นเลยตัวที่มีมีแต่ตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจทุกวันนี้เราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันยังมีตัวเลือกอยู่เพราะมันยังดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหรนีความทุกข์อยู่นะใจไม่ปล่อยวางหรอกจะปล่อยวางได้ก็ต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจซ้ําแล้วซ้าอีกนะจนรู้เลยว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตใจก็มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะปล่อยได้เวลาปล่อยเขาปล่อยเองไม่ใช่เราจงใจปล่อยบางคนนั้นนึกเอาแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะไม่ปล่อยหรอกนะไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองนะเมื่ออินทรีย์ของเราแก่กล้าพอพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายชาวนามีหน้าที่3ประการ เวลาฝนตกก็ไปไถนางานที่หนึ่งคือไถนางานที่สองไปหว่านข้าวงานที่สาก็ไปคอยดูถ้าน้ำมามากก็เอาออกซะน้ำมีน้อยก็หาน้ำมาเข้านานะดูแลต้นข้าวไปอย่างนี้แหละถึงเวลาแล้วข้าวจะออกรวงเองพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอก็มีหน้าที่สอย่างนะคือศีลศิกขาเรียนรู้ที่จะรักษาศีลจิตสิกษาเรียนรู้ที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ปัญญาศิกขาคือเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเธอทําได้งาน3ประการนี้นะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองนะมันจะเกิดเองงั้นหน้าที่ของเราทําเหตุในที่สุดเราก็ได้ผลอยากได้ผลโดยไม่ทําเหตุนัไม่ได้นะให้ตั้งใจทำทำเหตุไปเรื่อยแล้วผลมันมาเองนะรักษาศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนี่งานสามประการถ้าทําได้ถึงเวลาข้าวก็ออกหลวงนะได้มรกได้ผลพอไหวไหมเทศอย่างนี้ง่ายมากแล้วนะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะเวลาหลวงพ่อมาเทศที่นี่ปีหนึ่งสองครั้งสองครั้งสังเกตดูว่าพวกเราเปลี่ย น, พ ว, ยนพวกเราเปลี่ยนแปลงไปมากนะแต่ละคราวที่มานี่ ใช้ได้เชีล่ะโดยภาพรวมนะดีมันก็ก้าเข้าใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีทุกทีแหละเหนะมือนลงเรือรู้ทิศทางแล้วพุทธเจ้าท่านจุดปฏะทีปโผล่ไฟให้มาให้เราเห็นว่าเี่ฝั่งอยู่ทางนี้เราก็เดินไปทางนี้นั่งเรือไปทางนี้นะรู้ทิศทางเราก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีทุกทีถึงจุดสุดท้ายก็ขึ้นบกนะทิ้งเรือ ทิ้งเหลือทิ้งธรรมะทิ้งตัวผู้รู้นั่นแหละจจะเข้าถึงธรรมะที่สะอาดหมดจดนะความทุกข์จะไม่มีแล้วทางใจหรือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะไม่มีแว่นตาโมเนอ๋อปฏิบัติถึงขั้นไหนถึงจะละ ก, กามาราคาได้นะเราลา ก, กิเลสไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราภาวนานะ ส, วสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมา ถ้าวันใดที่เราเห็นนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของดีของพิเศษตานี่เป็นตัวทุกข์ตัวร้อนนะหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ตัวร้อนไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบนะก็ไม่มีความหมายขนาดตายังไม่รักก็จะไปรักรูปทำไมใช่หไหมงั้นเวลาตามองเห็นรูปเนี่ยมันจะไม่ยินดีในรูปไม่ยินร้ายในรูป ยินดีในรูปก็คือการ ม, มาราคะยินร้ายในรูปเรียกวปฏิฆนะเวลาได้ยินเสียงนะจิต ท, ที่เราเป็นกลางนะพ้นจากความยินดียินร้ายพ้นจากกามและปฏิฆะอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระนาคามีนะปัญญาท่านระดับกลางคือท่านเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะตากายนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะงั้นพวกเราต้องภาวนาสู่ตายนะ ถึงขั้นที่จะละ ก, กามไม่ใช่เรื่องง่ายก็ลนะต้องสู้จริงๆเลยละอย่างละยากเลยนะต้องสู้จริงๆเลยคำถามที่สองนะเรื่องว่าแต่ละสายแต่ละสายทะเลาะกันนะว่าทางไหนจะดีทางไหนจะถูกนะพูดยากนะที่จริงเครื่องตัดสินธรรมวินัยมีนะเครื่องตัดสินธรร ม, มะมีสิ่งที่ตัดสินธรร ม, มะเรียกว่าอาภิธรรมนะ นัในทางปริยัติเนี่ยตัวที่ตัดสินนะัคือตัวอริธรรมนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนตัวอริธรรมตรงๆนะตัวที่จะตัดสินได้นะกนะ็ดูที่กิเลสนะดูที่กิเลสของเราว่าเราปฏิบัติแล้วในลดละ ก, กิเลสได้หรือเปล่าหรือว่าข่มกิเลสไว้เฉยๆนะอย่างถ้าเราภาวนานะแต่เท่าที่หลวงพ่อสํารวจมานะหลวงพ่อภาวนาจากหลวงปู่แล้วหลวงปู่รับรองว่าภาวนาเป็นแล้วนะหลวงพ่อก็ออกไปดู ครูบาอาจารย์สำนักต่างๆหลากหลายมากเลยสำนักอะไรดังๆนะตามไปดูดูว่าเขาภาวนาอย่างไงดูแล้วก็ได้ข้อยุติอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าวิธีปฏิบัติแบบไหนนะก็มีคนปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดถ้าถูกก็ถูกแบบเดียวกันนะถ้าผิดก็ผิดอย่างเดียวกันนะไม่ใช่ว่าพุทโธดีหรือทองยุคดีหรือรู้ลมหายใจดีนะถ้าทําผิดนะมันก็ไปเพ่งเหมือนกันนะถ้าทําถูกมันก็รู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันนะ งั้ น, นสายไหนสายไหนนะมันเป็นคาพูดของคนซึ่งยังมีกิเลสหรอกนะถ้าเราขึ้นสู่ยอดเขาได้นะเราจะรู้ว่าทางขึ้นเขาเนี่ยรอบทิศเลยทางใครทางมันเลยนะแต่ว่าทิศ ท, ทางนั้นไปทางเดียวกันคือขึ้นไปพ้นจากอำนาจของกิเลสห่างโลกออกไปเรื่อยๆถ้าเราดูที่กิเลสนะาการจะดูกิเลสอย่างภาวนาไปดูซิวิธีเนี่ยวิธีที่เราทำอยู่ไม่ต้องไปเรียนทุวิธีหรอก นะวิธีเดียวก็พอแล้วถ้ารู้หลักที่หลวงพ่อสอนนะคอยทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไวนะ้น่ะวิธีไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะแล้วเราค่อยสังเกตดูว่ากิเลสมันลดละลงหรือเปล่าวัดกันที่กิเลสอันนี้ในปริยัติก็ตรงกันนะเวลาที่บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยถัดจากการบรรลุอริยามารรคเกิดจากมรรคยานผลยานนะยานตัวต่อไปเรียกว่าปัจเจเบกขณะยาน ปัจเจเวกขณะยานเนี่ยคือจิตมันทวนกลับเข้าไปดูกิเลสว่ากิเลสตัวไหนละแล้วนะตัวไหนละแล้วเราละทหวลตัวไหนยังไม่ได้ละเนี่ยจะเข้าไปดูกิเลสเพราะนั่นตัวที่จะช่วยเรานะต้องชี้ขาดได้จริงๆบินยูชนดูด้วยตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรยังเหลืออยู่นะหลวงพ่อเคยทดลองนะภาวนาสมัยนั่นหลวงปู่ก็ยังอยู่หรอกภาวนาภาวนาไปนะจิตมันแหวกออกมาสว่างขึ้นมา เหมือนพระอาทิตย์ผุดขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันนั้นนักกรมมาราคะหายไปไม่มีความใคร่เห็นผู้หญิงอะไรเฉยๆหลวงพ่อไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่าผ่านนะต้องวัดกิเลสดูดูซิถ้ามันจริงนะมันจะต้องไม่กระเพิ่มบันฑไหวนะดูวันแรกก็เฉยวันที่2อเฉยพอถึง7วันนะจิตไหวแล้วจิตกระเพื่อมบันไหวแล้วอุ๊ยนางคนนี้สวยนะอย่างขึ้นมาพอรู้อย่างนี้นะ โอ้ไม่ใช่ผ้าหนาข่าหรอกนะมากราบหลวงปู่หลวงปู่ครับผมภาวนานนะั้นมันแหวกอมสว่างออกมานะนะหลวงไม่ทันจะบรรยายต่อเลยนิมิต <c oughs> โอ้หลวงปู่นะสุดยอดจริงเลยนะนิมิตนะแต่ผมทีแรกนะั้นนึกว่ามันละกามนะนะดีที่ไม่เชื่อมันนะอย่าเชื่อง่ายนะเวลาที่พวกเราภาวนานนะนะมาส่งกันบ้าน เนี่ยผมภาวนาจิตของผมนะเข้าสู่ความเป็นหนึ่งแล้วนะพ้นจากกิเลสทุกชนิดเลยไม่มีอะไรย้อมได้เลยนะลบอกเราเข้าสมาธิสิเข้าสมาธิแนะ้จิตปุ๊บไปเลยเห็นทันจิตที่เคลื่อนไหมเห็นจิตเคลื่อนั้มจิตของท่านเคลื่อนหรือเปล่าตอนที่ทำสมาธิเคลื่อนเคลื่อนก็ไปเกิดได้อีกนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระอรหรันหลกจิตยังมีการไปจิตยังมีการมาอันนี้จามาจากหลวงปู่ หลวงปู่สอนบอกว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาเนะี่ยาถามท่านเลยแล้วจิตตั้งที่ไหนมันไม่ไปไม่มาจิตไม่มีที่ตั้งเอาหนักเข้าไปอีกนะเต้นกับหลวงปู่แล้ยสุดยอดจริงเมันมากเลยเนะาะเธอต้องภาวนานะเนี่ยพระองค์นี้นะพระบอกท่านเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนจิตยังเคลื่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยท่านจิตเคลื่อนว่าจิตเคลื่อนไม่ใช่พระอรหันต์หรอกใจท่านแป้ะเลยนึกว่าเป็นพระอรหันต์พระบอก ไม่ใช่พระอรหันต์ใจเหี่ยวเลยเห็นเปล่าใจเหี่ยวรู้ไหมใจเราเหี่ยวหรือเปล่าเหี่ยวเหี่ยวไม่ใช่พระอนาคาคารหรอกงั้นเวลาพวกเราลดละกิเลสนะรู้สึกเหมือนกิเลสไม่มีแล้วเนี่ยให้สังเกตที่จิตก่อนขณะนั้นจิตไปติดไปล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างอยู่หรือเปล่าถ้าขณะนั้นจิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างแล้วไปดูกิเลสไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะไปติดว่างๆอยู่ ต้องระวังนะถ้าจิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแล้วไม่มีกิเลสเรค่อยน่าเชื่อหน่อยถ้าจิตไปล็อกอยู่ในสมาธินะเราบอกไม่มีกิเลสเนะชื่อไม่ได้นะต้องพยายามแย่ครูบาอาจารย์ก็แย่นะที่ท่านด่าเอาเลยนะเนี่ยแต่้องถามหลวงพ่อท่านอนะ่ะท่านอยู่กับหลวงปู่ดูลมาท่านเคยหลวงพ่อไปอ่านจริงในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้เคยอ่านไหมไม่ไม่มีใครไม่มีไปขอท่านนะท่านมีเยอะ ท่านด่าพระที่คิดว่าเป็นพระอราหารันต์นะสารนรกอะไรไล่ๆพระอรหันต์โกรธโกรธที่มาเลยรู้ว่าไม่ใช่แนละ้วนี่วิธีของครูบาอาจารย์นะก็คือวัดกิเลสนั่นแหละแย่ให้จิตเคลื่อนออกจากสมาธิถ้าจิตเคลื่อนออกจากสมาธิแล้กิเลสปีเท่าไหร่โปรแล้วละ่ะคราวนี้ถ้าจิตค้างอยู่ในสมาธิกิเลสไม่โปรขึ้นมาให้ดูนึกว่าไม่มีกิเลสงั้นถ้าเราเวลาวัดกิเลสนะต้องระวังอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดว่างอยู่ ต้องเป็นจิตธรรมดาธรรมดายัางแล้ววัดกิเลสหรื อ, อยังวัดได้นะข้อสคําถามว่าเวลาเข้าอัปปนาสมาธินานๆ น, นนะจะเกิดมิปัสสนาได้เองไหมเดินมิปัสสนาได้เองไหมหรือจะต้องมีวิธีอย่างไรเวลาที่เข้าถึงอัปปนาสมาธินะมันมี2พวกพวกหนึ่งเดินมิปัสสนาได้พวกหนึ่งเดินไม่ได้ คนที่จะเดินวิปัสสนาในอัปปนาสมาธิได้นะมีเงื่อนไขและต้องมีความชำนาญ2อย่างอย่างที่ 1. ชําชำนาญในสมาธิสามารถเข้าฌานได้นะทรงอยู่ก็ได้นะออกก็ได้ ช, นชนานิชานาญนะนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้นึกจะออกก็ออกได้แล้วมีวสัสีนะแล้วอันที่ 2. ต้องชำนาญในการดูจิต เพรเวลาเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้ทํากรรมฐานทํำมิปัสนานะคือองค์ชานนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องชํานาญในการดูจิตถ้าไม่ชํานาญในการดูจิตนะไปเจริญปัญญาในอัปปนาสมาธิไม่ได้เพราะ้นในอัปปนาสมาธิเนี่ยมีทั้งคนที่เจริญปัญญาได้และเจริญปัญญาไม่ได้พวกที่เจริญปัญญาในอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ออกจากสมาธิมาก่อนแล้วมาดูกาย ทําไมต้องดูกายเพราะเวลาที่ทรงอยู่ในอัปปนาสมาธินานๆเนี่ยจิตมันจะนิ่งถึงออกจากสมาธิลึกๆมาแล้วจิตก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มาดูกายนะให้เห็นกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ง้ครูบาอาจารย์จะสอนนะพอทำสมาธิเสร็จแล้วถอยออกมาให้มาดูกายนะส่วนถ้าพวกชํานาญในอัปปนาสมาธิ ด, ด้วยชํานาญในการดูจิต ด, ด้วยมันจะเห็นอย่างหลายๆเราเข้าอัปปนาสมาธินะ พนามี2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งมันจะมีนิมิตมีปฏิภาคนิมิตมีแสงมีอะไรพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีอย่างถ้าเราเล่นลมหายใจเนี่ยลมหายใจตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนะแล้วกลายเป็นแสงอย่างนี้จะมีนิมิตนะครัตรงที่แสงเกิดขึ้นแล้วลมหายใจหายไปเรียกว่าอุคหานิมิตนะแล้วเราเล่นได้นะแสงขยายแผ่กว้างออกไปกว้างกว้างก็ได้นะย่อลงมาเหลือเท่าปลายเข็มหมดเลยก็ได้ ถ้าเป็นอโลกมาถึงปลายเข็มเนี่ยแสงมันจะเข้มมากเลยเนะนี่ยเราเล่นนะเล่นได้ตรงที่จิตมันตรึกอยู่ในแสงเรียกว่าวิตกตรงที่จิตเคล้าเคลียร์อยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์แล้วจิตจะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมานะแล้วจิตเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนได้ปฐมฌานขึ้นมานะสมัมปนาสมาธิชนิดหนึ่งอย่างแผ่เมตตาไม่มีแสงนะจะจิตจะสงบข้ามาตั้งขึ้นมานะขึ้นมาเฉยๆไม่มีไม่ผ่านแสง จะผ่านกระบวนการที่แผ่ความรู้สึกออกไปตรงที่รู้ทันว่าจิตไปจับอยู่ที่แสงการที่จิตเคลื่อนไปที่แสงนี้จะขาดนะจิตจะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้ถ้าจิตปัดการตรึกการตรองในแสงแล้วทวนเข้าถึงตัวรู้นี้จะได้ฌานที่2องนะก็จะเห็นเลยว่าวิตกวิจารณนะ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าจิตถอยตัวมาถึงตัวผู้รู้แล้วนะมันจะมีปิติเด่นชัดขึ้นมา นะสติะระลึกรู้ปีตินะปีติจะดับให้ดูจิตนะจะมีความสุขเด่นชัดขึ้นมาสติะระลึกรู้ความสุขนะความสุขจะดับเป็นอุเบกขาขึ้นมานะเนี่มันจะถอยเข้าถอยออกอย่างนี้นะเนี่ยเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิซึ่งคนยุคเราเนี่ยหาคนทําได้น้อยเต็มทีแล้วนะส่วนใหญ่มันทําไม่ได้ก็ต้องออกจากสมาธิมานะถ้าติดสมาธิลึกๆเนี่ยให้ดู ก, กายไว้ก่อน แต่ถ้าเราชำนาญในเรื่องดูจิตนะรู้นามาทำนะเราไปเตินปัญญาในอัปปนาสมาธิได้อันนี้ไม่ใช่แค่หลวงปู่สอนนะในตาราพี่รรมมีด้วยในตาราพี่รมนะบอกว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยคือฌานที่8เลยฌานที่สูงที่สุดเลยนะจะสามารถทำมิปัสนาได้หรือไม่คำตอบก็คือถ้าผู้นั้นเป็นพระอริยบุคคลนะอันที่สอง เป็นพระรญะบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตจะเจริญปัญญาในฌานที่8ปดไดนะ้ซึ่งทํายากนะพวกเราและที่สําคัญก็คือพวกเราไม่ค่อยจะได้อับปนาสมาธิแล้วตอนนี้แต่แค่คณิกาสมาธิก็บุญนักหนาแล้วนะคณิกาสมาธิเป็นยังไงจิตเคลื่อนเรารู้ทันในขณะที่รู้ทันนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งเคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกนะฉะ่ถี่ี่ถีมันจะรู้สึกเหมือนตั้งอยู่ได้ทั้งวันเลคราวนี้ เราตั้งแล้วอย่านิ่งอยู่เฉยนะดู ก, กายมันทำงานดูใจทำงานถ้าเราได้แค่คณิกาสมาธินี่ดูจิตต่อได้ถ้าจิตยังโลภยังโกรธยังหลงให้ดูได้นะแต่ถ้าเข้าอัปปนาออกมาเนี่ยไม่มีกิเลสให้ดูหรอกว่างๆเพืามาดู ก, กายนะภาวนานะสนุกไม่มีอะไรสนุกเท่าการภาวนาหรอกมันมากเลยไอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะ สิ่งที่ไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจนะสิ่งที่ไม่เคยปล่อยได้ก็ปล่อยได้นะอัศจรรย์มากนะต้องสู้เอาสรุปทีไรก็ต้องสู้เอาทุกทีเนาะของฟรีไม่มี <c oughs> ต้องทำเอาเองนะหมดละวันนี้มีส่งกันบ้านไหมอ้าวว่ามานมันสการหลวงพ่อคะ่ะก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานถวายอ่ ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันถวายให้กับเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายาเป็นการจริ า, าบูชาให้หลวงพ่อโอ้สาธุครบแล้วก็เลยมากกดีชอบหน้าอย่างเนี้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าในแต่ละวันมีสติเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าสภาวะที่เห็นมันมันเห็นบ่อยขึ้นแต่มันรู้สึกเบาๆแล้วก็หายไปค่ะจิตมันค้างอยู่ในความนิ่งๆนิดหนึ่งหรือเปล่าใช่นั่นแหละตอนนั้นมันติดสมาธิอยู่ นะสมาธิในบางคนบอกว่าไม่ติดหรอกเพราะไม่เคยนั่งสมาธิตรงที่เราพยายามดูจิต น, นะนะดูดูไปแล้วเราไปจ้องมันเข้าทกลายเป็นสมาธะเป็นสมาธินะหลวงพ่อเคยพูดกับหลวงปู่ส่งกันบ้านท่านนนะั้ผมดูเห็นจิตมันกังวลนะความกังวลมันดับโลกดับร่างกายก็ดับนะั้นไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวหลวงปู่บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิ ไปเถียงท่านนะโอ้หลวงปู่ครับผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่ท่านบอกดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติอย่างของคุณไปดูดูนะใจมันเป็นล็อกนิ่งอยู่ใช่ค่ะเออถ้าเราเห็นใจมันล็อกนิ่งอย่างนี้นะจะเห็นว่าทุกตัวนี่เคลื่อนไหวเหลือไอ้ตัวรู้เนี่ยนิ่งอยูดตัวเดียวนะต้องปล่อยมันปล่อยอยังไงหัดหลงซะบ้าง เคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคนชอบไปจำคำสอนหลวงปู่ด้วนๆบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้งั้นก็เลยตั้งหน้าตั้งตาที่จะไม่คิดตั้งหน้าตั้งตาไม่คิดไม่ได้ท่านมีประโยคที่สามนะต้องอาศัยคิด จิตของเรามีธรรมชาติคิดอยู่แล้วพอ mm hmm. คิดไปแล้วเข้าเกิดสุขให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดไปแล้วโลบขรดหลงให้รู้ทันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแต่ถ้าเราไปกลัวมันเราไปคอยจ้องเนะี mm ่ย hmm. ดูจิตนั่งจ้องอย่างงี้ไอ้ตัวเนี้ยจะนิ่งๆทือๆไปต้องใจกล้าๆนะไม่กลัวหลงถ้ากลัวหลงนั่นจะไปประคองตัวรู้อยู่กลายเป็นตัวรู้ที่แน่นๆที่หลวงพ่อบอกอะตัวรู้ผิดๆอะ พอตัวรู้ผิดผิดถามว่าเห็นกายกับใจเป็นคนละอ่านไม่เห็นแต่มันเห็นแบบตัวแน่นๆใจแน่นแแล้วไอ้ตัวนี้เที่ยงไอ้ตัวที่ดูเนี่ยเที่ยงตัวอื่นไม่เที่ยงตัวนี้เที่ยงนึกออกไหมเออถ้ายังสงวนตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่ไม่ใช่ของจริงแล้วทุกตัวไม่เที่ยงสงสัยทราบไหมเออเนี่ยก็แค่นี้เองสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยไม่ต้องตอนนี้ใจเป็นไงดูสิพอดูล่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะ จะไม่มีอะไรอะเนี่ยทั้งวันนะไม่มีกิเลสหรอเหมือนมันติดล็อกอยู่มันลอกอยู่สักอย่างล็อกอยู่นะกล้าๆหน่อยให้มันเคลื่อนกระทบอารมณ์ไปเมื่จิตมันเคลื่อนเราก็ค่อยรู้เอาอย่ากลัวจิตเคลื่อนแล้วไปรักษาไว้โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยนะเมื่อเราขี้สงสัยใจมันคิดใจมันสงสัยให้รู้ทันว่ามันสงสัยรู้มันเข้าไปอย่างนี้เลยนะ รู้มันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหลุดจากไอ้ที่ล็อกไว้การนมัสการลวงพ่ติดเพ่งไหมครับผมติดหรือเปล่าล่ะติดครับอ๋อรู้แล้วรู้ว่าติดก็ดีแล้วค่อนข้างะจะฟุ้งซ่านหน่อยเออระหว่างฟุ้งซ่านกับติดเพ่งนะให้ติดเพ่งไว้ก่อนครับผมนะพรฟุ้งเนี่ยจะไปอบายบเพ่งไปสุขติเต่ไม่ไปนิพพานเท่านะอย่างนั้นก็ดีกว่าไปอบายนะอย่าให้ฟุง้ง อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปนะแล้วใจเราทื่อๆขึ้นมารู้ว่าทื่อๆถ้าใจมันทื่อๆ อ, อ, อ, อ, อ, อย่าไปดูจิตให้มาดูกายนะพอเรามาดูกายดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงอันนี้จิตจะเคลื่อนมันจะไม่ติดล็อกนิ่งๆนะไปดูกายเยอะๆดูไล่อยู่ในกายนะน่าแต่หัวถึงเท้าเท้าทั้ ง, งหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปนะ ก, นกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ เป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านค่ะฟังหลวงพ่อฟังซีดีเป็นของหลวงพ่อเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ตอนฝึกก็รู้สึกว่าก็พัฒนาขึ้นบ้างก็พัฒนาขึ้นบ้างค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมล่ะเห็นบ่อยค่ะโอ้เห็นบ่อยดีก็จะเห็นไม่ทราบว่าคิดเป็นเองหรือเปล่าก็จะเห็นดูจิตไปเรื่อยๆก็จะเห็นอนัตตาคือ มันบังคับไม่ได้อ่ ะ, ะน่าบังคับไม่ได้ถูกต้องแล้วนั่นแหละเห็นจริงๆเหระแล้วก็ ด, ดูอีกแล้วก็เห็นอ่ามันจะมีตอนนึงที่รู้สึกว่ามันเวลาเราเหมือนอย่างเรากระทบกับเสียงเหมือนใครพูดกับเราเงี้ยค่ะแล้วเราได้ยินคํานั้นมันก้องก้องเหมือนซ้ํา้ำซ้ําๆอยู่ในใ น, นเรื่องของสมาธิแล้วมันเห็นอเองอะคะ่ะงั้นก็แค่รู้นะอย่าไปอย่าไปจงใจรู้ รู้สบายๆรู้ไปตามธรรมชาติแล้วก็เวลาปฏิบัติหนูขออนุญาตดูสังเกตตัวนี้ปะเวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยขนาดที่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้ความหมายต้องคิดก่อนถึงจะรู้ความหมายตัวนี้เคยเห็นไหม <c oughs> เคยค่ะอยงงั้นดีนะดีกว่าไปฟังเสียงกล้องเสีย ง, ยงนูอ้นอย่างนี้นะฉะนั้นเป็นเรื่องของสมาธิ อ, อ่แล้วเคยเห็นตอนเคยเห็น อ, อ่ความ เวลาที่กายจะขยับไปใจมันจะขยับก่อนใช่ใจเป็นคนสั่งสั่งก่อนอยิ่งพวกใจร้อนเนี่ยนะบางทีใจมันไปก่อนร่างกายยังไม่ทันจะไปเลยใจไปแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยเยอะเลยนะเวลาเดินจงกรมเนี่ยนะใจมันไปก่อนขาคเอถ้าพวกใจร้อนอย่เป็นอย่างนี้นแล้วพวกใจร้อนเนี่ยมักจะเห็นอนัตตานะพวกใจร้อนเนี่ยมักจะปัญญากล้า พวกปัญญากล้าจะเห็นอนัตตาค่ะก็หนูก็ไม่ทราบว่าที่เห็นมันเป็นปัญญาหรือเปล่าแต่หนูว่านอน่าจะใช่มันก็เป็นแบบปผล่ๆๆนะค่ะนะเห็น <laughs> ไม่มันก็ฟุ้งนะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ฝึกแรกๆก็จะเห็นโทสะก่อนอแต่หลังๆมาจะเห็นเห็นโมหะก่อนแล้วจะมีโทสะถูกแล้วก็ถ้าไม่มีโมหะจะไม่มีโทสะ ให้ดูไปเรื่อยๆล่ะค่ะหลวงพอ่อดูไปสิโทสะก็หลายชั้นนะโทสะหยาบๆเรารู้ทันแนละโทสะละเอียดนะก็มีอีกนะเรียขัดใจงุดหงิดไปดูตัวนี้ไปนี่ก็โทสะหงุดหงิดค่ะแล้วพอดีมีคําถามจะถามหลวงพ่อด้วยนะคะหนูเห็นบางทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าบางทีพอตากระทบรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงแล้ว มันก็จะเห็นความต่อเนื่องของความคิดนะคะเช่นเราได้ยินเราได้ยินชื่อชื่อดาราคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะนึกถึงคนที่ชอบดาราคนนี้เพราะแล้วเราก็จะนึกตออ่อไปเรื่อยๆนั่นสังขารมันปรุงละ<ๆ>นะก็ะะปรุงอย่างนั้นแหละปรุงไม่มีที่สิ้นสุดใช่ค่ะมันเหมือนไม่ไม่สุดนะคะให้เรารู้ทันอย่าไปดูมันอย่าไปตามมันไปให้รู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่อย่างที่ถึงเรียกว่าดูจิตถ้าไปรู้เรื่องที่มันคิดเนี่ย ใช้ไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวที่คิดเขาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติทํามิปัสนาไม่ได้เพราะไม่มีไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตมันไปคิดเรารู้ทันว่าจิตคิดมันดับทันทีเลยมันแสดงไตรลักษณ์ค่ะพอมันดูไปเรื่อยๆจนมันอย่างนั้นมันตามไปเรื่อยๆนะมันมันรู้สึกว่ามันไม่เสร็จสักทีก็ดูไม่ได้ทวนทวนกลับมารู้ทันจิตเ่อจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ขาดทันทีเลยค่ะแล้วก็ เมื่อเมื่อหนอูหนูดูกายอะคะ่ะพอดูจิตไม่รู้เรื่องก็จะมาดูกายตามที่หลวพอสอนอแต่บางทีดูกายมันเพ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะเราก็จะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของจุดนั้นเพ่งหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ว่าสั่นหรือไม่สั่นน ะ, ะจิตน่ะมันทื่อหรือเปล่าจิตมันหนักแน่นแข็งซึมทื่อไหมต้องทำยังไงอะคะลองดูสิเพ่งแน่นนอนคือยังไม่ เราก็ต้องทำยังไงคะหลวงพ่อก็แค่ดูสินะอย่าไปเพ่งมันดูมันสบายดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่ได้เอาเป็นเอาตายดูเล่นๆดูมันดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเห็นไหมมันพยักหน้าเห็นไหมมันกรอกตาง่ายๆแค่นี้เองเห็นแค่นี้เหรอคะแค่นี้ก็พอนะเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกก็เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกไอตัวเนี้ยเออแค่นี้แหะไมคิดมากเกินไป แล้วก็หนูเดี๋ยวหนูมีกี่ข้อขอขออีกสองข้อค่ะเดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เช้าแยกเลยก็หนูไม่หนูไม่ทราบจริตของตัวเองแน่ชัดนะคะเพราะว่าหนูก็หนูว่าพวกที่ถีจริตพวกคิดมากเรียกว่ารักกายมากเลยค่ะความคิดมันรุนแรงนะถ้าดูดูจิตดูใจไปแต่ไหนดูไม่ได้ก็ดูกายอ่ะต่ไหนทําอะไรไม่ได้ก็พูดโถไป ค่ะก็แต่เคยพุทโธแล้วมันไม่ชอบพุทโธก็รู้ลมหายใจแล้วให้เลือกอะไรดีรับเลือกด้วยตัวเองอะไรทำแล้วสบายใจเอาอันนั้นพอทำพอพุทโธกับลมหายใจไปพร้อมกันแล้วพอสักพักนึงก็ปล่อยพุทโทแล้วก็ดูแต่ลมได้ใช่ไหมคะได้เลแต่ลมนะถ้าไปลมก็กลายเป็นแสงขอกราบขอบพระคุณค่ะจะไปที่ หลวงตามหาบัวบอกว่านิพพานแป็ว่านิพพานตามตรกะนี่แปลว่าเย็นก็แปลว่าเย็นดิครับว่าอะไรนะทีนบอกว่านิพพานเป็ว่านิพพานนะครับเออแล้วทำไมอ่ะนิพพานก็ผมก็ไม่ได้สงสัยนะครับแต่ว่างั้นเย็นก็แปลว่าเย็นนีิครับอ๋อเย็นก็เย็นสิเย็นจะแปลว่าร้อนได้ไงคือหลวงตามหาบัวอยากสื่อไง้ยว่านิพพานเนี่ยไม่มีสมมติบัญญัติหรอกนะ นิพพานเป็นนิพพานก็จบแล้วไม่ต้องไปแปลต่อเนี่ยจมานั่งเฉียงกันนิพพานเป็นอัตตาในนิพพานเป็นอนัตตานีวัตถุประสงค์ท่านต้องการตรงนี้นะคนโง่เลยแค่นี้นะครับเออเอาเท่านี้นะะมาเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติเลยกลับมมัธการพระอาจารย์ครับก็ตั้งแต่ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติมาก็เห็นตามเหความเปลี่ยนแปลงหรือยัง เห็นแล้วครับกายใจเป็นควละอันหรือเปล่าครับเห็นสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปไหมเห็นครับโอ้เห็นแล้วก็ดูสบายๆตัวนี้อย่าให้ล็อกเท่านั้นนะครับอย่าให้ตัวดูมันล็อกนิ่งๆเท่านั้นนะครับถ้าเผลอไปบางทีมันก็นานนะโอ้เผลอนานต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้จะได้ไม่เผลอนานครับก็หลังจากที่หลวงพ่อมา มาคราวที่แล้วนะครับก็ไป เ, เรียนฝึกสมาธิมากม็เวลาท่องพุทโธไปจนจิตมันเบาระดับหนึ่งก็ดูดเูเวลามันเผลอไปคิดก็กลับมานี่คือการใจตั้งมั่นใช่ัหยครับตอนนี้ตั้งไหมไม่ตั้งฮะถูกต้องใช้ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมไปศึกษามาตอนที่เวลาเวลา ไปดูถูกเอ่อยังไงนาะเวลาไปดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยครับเป็นเพราะมานะอะไรนะครับอื ม, มานะในตัวเองสูงเออนะไปดูนะกีเลร่มานะเนี่ยเป็นกีเลรอน่าเกลียดนะครับ เ, ออเพอเห็นแล้วอายเลยใช่ครับเป็นกีเลร่ตัวเดียวเลยนะที่พอเห็นปุ๊บอายปั๊บเลยครับแปลกไปทําอีกนะแต่ว่าจิตต้องตั้งมั่นมากกว่านี้นะครับลหลังๆไม่ค่อยตั้งมั่นครับนะโมหะแทรกครับมัว อาจจะมีเรื่องมากระทบเวลามีปัญหามากระทบนั่นแหละเราจะขยันดูได้นะแต่ถ้าปัญหาแรงมากก็ดูไม่ไหว ถ, ถ้ากระท บ, บพอดีพอดีเนะี่ยหมออาการปฏิบัติช่วงไหนสบายมากๆก็ขี้เกียจภาวนาเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยไปทำเอานะไปฝึเอาขอบพระคุณพระอาจารย์ครับนามัสการหลวงพ่อครับก็ ตั้งเพริมานาวไว้หนึ่งเดือนผ่านมาแล้วเดือนกว่าครับก็ทําทได้ครับหลวงพ่ อ, อมาถวายหลวงพ่อนะครับเออดีนะจิตอ่ามันยังติดประคองอยู่ประคองผู้รู้ครับเปเบาๆครับจิตยังไม่ถึงฐานครับผมดีถูกต้องแล้วแรงยังไม่พอครับหลวงพ่อใช่ถูกผมก็ทําตามรูปแบบเพิ่มหรืออาจจะต้องทําทานเพิ่มครับหลวงพ่ อ, ห, อหรืออาจจะต้องทําทานเพิ่มหรือจะต้องทําสัจจะเปิดณีเพิ่มครับหลวง ทำอะไรดีๆก็ทำไปเถอะนะครับทำไปเถอะมันดีทุกตัวแหละแต่ผมรู้สึกมันจะทำให้จิตเกิดพลังนะอย่างบางคนนะตั้งใจว่าผัานสานี้จะไม่กินข้าวเย็นสมมุตินะแล้วเขารักษาได้จริงๆนะจิตจะมีพลังมากเลย<ม>บางคนก็ปลีกตัวสามวันนี้จะไม่พูดกับใครเลยจะภาวนาอย่างเดียวนะตอนสามวันภาวนาไม่ได้เรื่องเลยนะ แต่พอออกจากการปลีกตัวออกมานะใจเข้มแข็งขึ้นได้พลังนะของคุณหมอพลังอ่อนไปนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันติดมันจะอ่อนแอเยอะหน่อยครับนะแล้วเราค่อยๆฝึกตัวเองให้เข้มแข็งเป็นลำดับๆไปนะเหลือแค่กำลังจริงๆเหลืออีกหลายตัวครับหลวงพ่อ <c oughs> มีอะไรเพิ่มอีก <c oughs> ไหมครับผมทุกตัวนะมันจะทาให้เรามีแรง ให้เกินพลังขึ้นจะข้ามวัตตะต้องมีแรงเหมือนจะจะหลดุดจะออกนอกโลกต้องใช้แรงเยอะนะครับตอนนี้แรงเรายังไม่สมาเสมอกันรู้หลักปฏิบัติแล้วสภาวะก็ดูเป็นนะนะขยันก็ขยันอยู่แต่แรงยังไม่พอก็แค่นั้นเองก็ทำไปเรื่อยก็พอแหละสาธุสาทุกรัตัวเราไม่มีนะดูไปได้ กลับนมัสการค่ะตั้งแต่กลับจากวัดมาเมื่อตอนต้นเดือนนะคะกลับมาหนูว่าหนูมีแรงภาวนาได้ดีมากเลยใช่ถูกต้องที่หมอเม้งนั่นนะคือไปนึกถึงว่าหนูตั้งใจว่าหนูจะลุกมาใส่บา ท, ทุกเช้าหนูทํามาสองเดือนแล้วหนูว่าหนูโอเคใช่เนี่ยแค่นั้นแหล ะ, ะนะแค่นั้นนะจิตก็ขึ้นได้พลังแล้วนะ่ะเขาเรียกว่าเรามีอธิษฐานบารมีเราตั้งใจที่จะทําอะไรที่ดีนะแล้วทาได้จริงๆ <Okay. S 2> อดทนทำไปจิต <Okay. S 2> จะมีพลัง okay. หรือว่าแรงมีอะไรเพิ่มเติอ ม, มอีกไหมคะหลวงพ่อไปทำอีกใส่บาตรพระชอบ <laughs> คนเดี๋ยวนี้แปลกชอบใส่บาตรบรรพราอย่างเดียววันอื่นพระไม่กินข้าวหรอค่ะ <laughs> <laughs> สุดท้ายนี้ขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบใจนะ <laughs> นกราบนวัสการหลวงพ่อครับ จิตถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงครับจิตไปอยู่ที่ไหนมัน ล, ลอยๆอยู่ครั บ, รบใช้ได้ครับดีตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกันครับช่วงหนึ่งเดือนทำทาวัดทุกวันแล้วก็ทำรูปแบบทุกวันครับแต่ว่าพอในช่วงหนึ่งเดือนที่ที่ทนี้เจอโมหะขึ้นอย่างอย่างแปลกประหลาดครับพอ คือมีโมหาคลุมตลอดแล้วก็จิตก็เข้าไปคลุกแล้วก็ตะลุมบอลครับโอ้ยอย่าไปตะลุมบอนมันนะมันไม่เห็น ค, ค <ำ S 1> ําอว่าภ<พ>าวน า, นาแล้วมันมัวมันมัวเนี่ยเราอย่าไปตกใจระหว่างมัวกับสว่างเนี่เท่ากันนะเฉะนั้นถ้าจิตสว่างแล้วเราพอใจไม่รู้ทันเีก็ใช้ไม่ได้จิตมัวแล้วเราไม่พอใจเราไม่รู้ทันก็ใช้ไม่ได้ถ้ามัวแล้วใจไม่ชอบนะรู้ว่าไม่ชอบใช้ได้นะมัวมัวนี่แหละภาวนาได้ แล้วก็สวดมนต์เยอะหน่อยสวดนานขึ้นใช่ไหมคําว่าเออพยายามอยู่ธรรมดาเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไว้เวลาที่เราภาวนาดีนะมารมันจะแกล้ง ม, มันจะต้องแกล้งแนะ้วเพราะมันกลัวเราพลวนอำนาจมันนะ ม, มันก็กดหัวเราบ้างครอบหัวเราบ้างนะแกล้งมันทีมแทงเอานะเออ ม, มารมันเจ้าเล่ห์แสนกลต้องสู้มันไม่ต้องไปตีกับมันนะดูจิตของเราเข้าไปเลยรู้ทันเข้าไป ผู้ใดรักษาจิตเอาไว้ก็จะพ้นจากบ่วงของมันนะครับผมผมตั้งสัจจะต่อเพิ่มความถี่ของการทำรูปแบบมากขึ้นครับหลวงพ่อครับดีกับขอบพระคุณครับอย่าตั้งเยอะจนกระทั่งทำไม่ไหวนะครับผมตั้งให้แบบต้องอดทนนิดๆในการทำนะถ้าตั้งแบบเราทำไม่ได้เนี่ยจะฟอไปเลยครับนะพลังหายหมดเลย ตั้งใจว่าทุกวันจะนั่งสมาธิ3ามชั่วโมงนั่นนั่งไม่ได้สักวันนะับ่อเลยเสื่อมหมดเลยสู้ฝากว่าจะนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันเราทำได้ดีกว่าครับครับขอบคุณครับคือเมื่อตั้งใจแล้วต้องเอาให้ได้นะไม่งั้นจะหมดพลังไปเลยกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ก็ครบหนึ่งปีที่เริ่มดูจิตและปฏิบัติะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพอปฏิบัติได้ สักพักนึงรู้สึกว่าตัวเองอติดที่ว่าอยากดีโลกที่อยากดีค่ะหลวงพออ่อก็เลยรู้สึกแบบแข็งแข็งทื่ๆอๆค่ ะ, คะนี่ไงหลวงพ่อถึงบอกนะพ่อนามไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขเอาสงบนะ<อ>พรอนาความจริงความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกคือของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราดูของจริงอยากขอแนวทางปฏิบัติค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างค่ะจะทําอะไรไม่ต้องทําอะไร รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่ทุกวันทำในรูปแบบเราก็ถือศีลห้าอ๋อค่ะแต่ก็มีแบบรู้สึกหุดหิตัวเองรู้สึกแบบตัวเองไม่ถึงไหนอะค่ะไปไม่ไปศีลเราดีไหมก็ช่วงนี้ศีลก็มีหลังพลอยร่างแต่ว่าตัวตัวนี้ดูหน่อยนะะตัวนี้กวางอ๋อค่ะหลวงพ่อยังทาให้ทอนายากค่ะนะค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ กับนองสการ์ลุงพ่อครับสงการบ้านครั้งก่อนลุงพ่อว่าจิตมันติดล็อกครับลุงพ่อให้ดูกายเออครับแล้วตังเกตยจไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันรู้จักเรื่างว่าติดล็อกเป็นยังไพงพมันเป็นล็อกตัวเองนิ่งทื่ออยูนะ่นี่ยพอมาดูดูๆนี้มันคลายออกนะมันเริ่มเคลื่อนไหวได้ถ้าจิตมันล็อกอยู่นะ้ําก็ว่างๆสุขสบายเฉยๆ อ, อ, อยู่งั้น แต่พอมันไม่ล็อกนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ทุกขนะ์ดูความเปลี่ยนแปลงครับโลกต้องไปทําอีกไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เวลาใจไม่เข้าฐานให้รู้ทันนะครับตอนนี้เข้าฐานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับใจไปอยู่ข้างนอกไหม มีวิธีดูง่ายๆนะเราลองย้อนมาดูใจเราสิถ้าใจเราเข้าฐานไม่ได้นะมันจะดีดออกไปมันจะดีดปุ๊บออกไปเลยมันไม่เข้ามารู้ข้างในะนะใจไม่เข้าบ้านดู ก, กายต่อไปครับมขอบคุณคพอมีพลังแล้วมันจะเข้ามากราบนะมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูจะถามหลวงพ่อว่า การทำสมาธิถ้าเผื่อว่าเราไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่เราจะทำสมาธิในการปฏิบัติการงานในปัจจุบันให้ดีที่สุดเราจะถึงมรรคผลพิพานได้หรือไม่เจ้าคะมันไปยากหน่อยนะจะไปลำบากแรงมันจะไม่ค่อยพอหลวงพ่อเคยลองนะหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบนะยันอายุ29 22ยี่สิบสองปี เรื่องสมาธิแล้นั่งชำนิชำนาญอยู่เข้ามาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตมันเป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะสังขารเกิดเราก็ดับสัญญาเกิดเราก็ดับเห็นเวทนาด้วยนะมันดูแรงที่จะใช้ใดูนะมันอยู่ได้2ปีงเงี้ยหลังจากนั้นกําลังไม่พอลแล้วตอนนั้นหลวงปู่ก็ไม่อยู่แล้วแรงเราไม่พอเรามองไม่ออก กรณีขึ้นไปบ้านตากขึไปกราบหลวงตาหลวงตาตอนนั้นท่านยังเทศอยู่ข้างบนศาลานะชั้นบนนะัคนยังไม่มากนะเข้าไปถามท่านบอกพ่อแม่ผูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะทําไมช่วงนี้รู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วจริงๆกาลังเราไม่พอนะงั้นถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบ ไปนานๆ น, น, นะแรงไม่พอหลวงพ่อนะเป็นคนซึ่งทำสมาธิแต่เด็กนะพอมาเจริญปัญญาแล้วนะมันไปดูถูกสมาธินะมันพลาดตรงเนี้ยพลาดพอเจริญปัญญารวดไปเนะี่ยสมาธิไม่พอมีอยู่อีกคราวหนึ่งนะเห็นมันไหวยิบๆยิบๆอยู่กลางหน้าอกเนะียดูยังไงไก็ไม่ขาดนะนจนกระทัง่งโอ้เหนื่อยดูเป็นเดือนเลย จะถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธจะบอกการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับก็โอ้ยิบยั บ, ย บ, ยบแต่มันไม่ผ่านเคยเขียนจดหมายไปถามหลวงตา ม, มาหาบวัวท่านก็ให้นังสือมาเล่มหนึ่งทําเตรียมพร้อมามาให้อ่านเอาเอง ก, ก็แล้วกันเปิดมาปุ๊บเจอเลยคําตอบเหมือนที่หลวงพ่อพุดบอกเลยโอ้ใจเราก็ไม่ลงอีกนะไม่ลงแล้วทำไงดีวันนั้นจะไปทํางานนะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ นึกขึ้นได้เราไม่ได้ทําสมาธินานแนละ้วเหนื่อยจเจริญปัญญารวดไปเลยนะมันเหนื่อยก็เลยกลับมาหายใจใหม่หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1เข้าพูดออกโทนับ2นะนับได้28ทีนะจิตรวมรวมมันอยู่บนป้ายล้นเมล์นะยืนอยู่นั่นนะนะพอรวมแล้วพามันถอยออกมานะมันดูเข้าไปที่ไหวกไหวยิบยับนะจิตมันปล่อยจิตปล่อยนะรู้สึกวโอ้ยเหมือนลองวิกเอนเลยนะ ที่แท้เราปล่อยไม่ได้เพราะว่าสมาธิเราไม่พองั้นพยายามแบ่งเวลาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะ10นาที15นาทีต้องมีเวลาบ้างแหละถ้าตอนกลางคืนทำไม่ไหวทำมาตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะที่ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนะฝึกได้ดีแล้วฝึกได้ถูกแล้วนะแต่ว่าถ้านานไปไม่มีในรูปแบบ น, นีกำลังมันจะตกนะครูบาอาจารย์ท่านเทียบเหมือนเหมือนมีดทื่อ มีมีดอยู่เล่มหนึ่งนะฟันต้นไม้ไปเรื่อยเลยไม่เคยรับเลยมีดทื่อๆนะฟันไม่ขาดอกอกเบอกให้ไปรับมีดนะมีดคมๆฟันชับเยวก็ขาดน ะ, ะจิตถ้ามีพลังของสมาธิหนุนหลังนะมันก็จะล้างกิเลสได้ง่ายน้อยต้องทนเอานะอยากได้ของดีเจ้ค่ะหลวงพ่อคะหนูอยากถามอีกข้อนึงค่ะถ้าเราป่วยอย่างเช่นเราเป็นเป็นไข้ติดเชื้อหรือว่าเราเป็นโรคพยา พยาธิอย่างนี้ค่ะหนูไม่กล้ากินยาถ่ายพยาธิเพราะกลัวว่าจะผิดศีลเดีย๋ยไปกินยาถ่ายพยาธิสิเรากินยาหนะ้าที่หมอเขาสั่งนะอ่ะเย่าไปคิดว่าเราจะฆ่าพยาธินะเรากินยาเนี่ยเพื่อรักษาธาตุขันนี้ไว้จะได้เอาไ ว, ว้ภาวนาขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะราบนกกามัจจรหลวงพ่อค่ะ รู้สึกว่าใจมันไม่มีกำลังค่ะอือหายใจแรงแรงไหมหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปฝึกอย่างนี้นะเนี่ยมันจะได้แรงมันมันชอบประคองไว้ค่ะหาย ใ, ใจแล้วรู้สึกตัวไป อ, อางนี้หายใจให้มันสบายๆนะให้ความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมานะอย่าไปประคอง อย่าไปน้อมจิตให้มันสืบเคยชินนะคะหลวงพอ่อเคยชินก็ต้องฝึกใหม่ให้มันเคยชินกับความรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวท่องไปนะท่องไปโยคนี้ไว้หายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเอาดีเอาสุข er เอาสองบอะไรเออหนูติดอะไรไหมคะหลวงพอ่อติดเพ่งเพราะงั้นหายใจแล้วรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไปค่อยๆฝึกอย่างนี้แรงไป อย่ น, นี้เพ่งไม่ใช่รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าไปบังคับมันนะรู้สึกสบายๆ ม, มันชอบไปบังคับเออนะก็รู้ให้รู้ทันว่าบังคับแล้วก็รู้สึกตัวไปสบายๆ เ, เวลานั่งสมาธินะคะหลวงพ่อมันชอบหลับฮะมันมันชอบหลับอ่ะชอบหลับก็เดินสิเดินบางครั้งมันก็หลับโอ เดินก็หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็าชนโน่นชนนี้ก็ตื่นเองหลวงพ่อก็เคยเป็นนะเคยเป็นนั่งก็หลับเดินก็หลับนะแก้ไงไงก็แก้ไม่ตกนะพี่เจอหลวงปู่สิมอะหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะท่านว่าอย่างนี้นะพอจิตมันมีพลังขึ้นมันก็ไม่หลับต้องอยากให้หลวงพ่อแนะนำะรู้สึกตัวบ่อยรู้สึกตัวบ่อยรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอย่าให้เบลอ รู้สึกตัว<อ>ให้ชัดขึ้นมันน้อมใจให้เบลอ อ, อย่าน้อมใจให้เบลอกล่าวนามาส ก, การครับหลวงพ่อเขาที่แล้วที่ขอนแก่นหลวงพ่อเมตตาให้ดูการร่างกายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพราะว่ามันไปติดล็อกอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเหตุจิตเคลื่อนได้บ่อยขึ้นแล้วครับครับไม่ล็อกแล้วไม่ล็อกแล้วดูมันทํางานไปแค่ดูดูเฉพาะการเคลื่อนของจิตหรือว่าเราต้องเพิ่มการดูที่มากกว่านี้ฮะ รู้สึกตัวไปนะจิตเคล่าเรารู้เคล่าเรารู้นะถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วโดยที่เราไม่เพ่งเนี่ยมันจะเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตใจทํางานเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเริ่มเริ่มเห็นมากขึ้นเอออย่างนั้นแหละถ้าถ้าพลังเราพอนะใจเราไม่ได้เป็นล็อกอยู่แล้วก็ไม่เผลอไปมั้นจะเริ่มเห็นธาตุขันมันทํางานยังคิดเยอะไป<ช>นะ<ช>ติดคิดนะงั้อย่าไปคิดมากให้รู้สึก ในร่างกายบ่อยๆนะแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอานะงังงงวลว่ามันจะผิดอีกกังวลรู้ว่ากังวลไปครับอย่าไปคิดมากคิดเดยอะไปพวกเรานี่ยได้ยินคําว่าดูจิต ด, ดูจิตเราคิดมากนะอย่างพวกเด็กๆได้ยินคําว่าดูจิตมันก็ดูเลยไม่เห็นเรื่องมากพวกเราจะต้องคิดมากไหมจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูอะไรเนี้ยนะเลยยุ่ง ควาจริงไม่มีอะไรหรอกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้เอาจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้เอาก็แค่นั้นเองครับดูกายต่อไปแบบนี้ดูกายเป็น okay, ฐาน uh, ไว้นะแล้วมันจะเห็นจิตอะไรนะคะดูกายแล้วมันจะเห็นจิตอ๋อครับอ๋นี่ก็หลวงปู่สอนเหมือนกันหลวงพ่อไปถามหลวงปู่คราวหนึ่งหลวงปู่ครับผมไปวัดอื่นๆ น, นะครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ไหนก็สอนพุโทโธพิจารณกาย ผมจะต้องกลับมาพิจารณากายไหมเนี่ยหลวงปู่หันมามองคแบบคงจะอนาถนะท่านบอกเข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งดังนี้นะงั<ต>้นดูกายไปพอมีแรงแล้วมันจะเห็นจิตแต่แ ต, แ ต, แ ต, แต่ผมไม่ได้พิจารณาผลผลเล็บฟันหนังอะไรไม่ใช่นะดู ด, ดูเหมือนเราคือรรผมก็เล็บฟันหนังนเนี่ยเคขาเอาไว้พิจารณาเวลาจิตมันติดล็อกติดนิ่งติดเฉย พามันคิดพิจรารณาจิตจะได้เคลื่อนนะถ้าจิตเราเคลื่อนอยู่แล้วมไม่ต้องอะยิ่งคิดยิ่งฟุง้งดูมันไปเลยแบบนี้นะครับหลวงพ่อดูแบบนี้นะครับแข็งไป<อ>ใจทู่อไปดูสบายๆคิดมากไปอีกละ <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เห็นในตัวนี้มันหัวลอ้อสบายๆรู้ไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยแข็งไปอีกละนะรู้สึกเอาน่า หมดแล้วละนะ ค, ค, คื อ, อคการเทศที่พวกเราถวายนะหลวงพว่ขอขถวายพระ อ, อุปัชาหลวงพ่อนะเรื่องปัจจัยทวทานทั้งหมดนะ